ไม่ใชไปดูเรื่องเรื่องคลูพันธุ์นี้ครับเตรียมอยู่พาะเรื่องนั้นน่ะก็เลยไม่ได้อะอย่างอื่มาเลยเตรียมมาหลายเนึ่ครับ ย, ายาา่าเดี๋ยวพ่อแค่ขาลูพันธุ์เขาเดียวนะถ้าผ่าคขาลูพันธ์นี้ไปได้ก็สบายแล้วครับเนี่ยนขะ้อนี้เนี่ยทีนี้ไปไวได้เลยนะ่ยไม่ต้องกลัวอะไรแรกเแ็ <laughs> <laughs> เเมสูบเลยเนี่ยถ้ า, นะาน่าจะรับรู้ใจได้เลยครับมีพันนะถ้าเข้าใจได้กเป็นประโยชน์นะครับ โดยเพาผู้ที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ใช่มเจ้าหน้าที่ห้องคันรต้องรู้นะอะไรเป็นข้าวุปพันธ์และหุ่พันธ์แจกได้แจกไม่ได้นะครับเมื่อนันนระแจกข้าวุปพันธ์เสร็จเลยนะมีโตอะมีช้อนโต๊ะช้อนแก้วน้ำอะไรนะช้อนไม่ได้เท่านั้นนะครับผมไอ่ไ้ตะปูไม่ได้อะไรแจกตะปูคือตอบครับไม่ได้อันนี้กลับมาดูในระบบสมมติ หนึ่งร้อยแปดสิบห้าข้อที่แปดสิบนะครับที่สุรูปใดเมื่อการวินิจฉัยกำลังเป็นไปในท่ากลางสงพึงลูกหนีไปจากอาสนะโดยไม่รอดฉันท้าไว้ตั้งใจให้กรรมเสียต้องอาบัตปาจิตตีนะ เขาบอกว่าเมื่อการวินิจฉัยกลังเป็นประเด็นถามกลางสงนะครับมาเพราะว่าทั้งโจดและจำเลยเนะี่ยก็ได้แจ้งเรื่องมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมข้าสองก็ได้เป็นการสมมติาคณะกรรมการนะครับจะให้วินิจฉัยเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะแต่เ้ายังไม่ทันได้วินิจฉัยนครับกาลังเขีวินิจฉัยกันอยู่นะอยู่ดีๆนะครับท่านก็ลูกนีวไปเลยน่าลุกนิวไปเลยนะครับด้วยตั้งใจะจะให้กำเสียนะ รู้อามบัตรแต่ก็ต้องทำทำอย่างนั้นทว่าทำหรือก็โกงทำหรือก็โกงใช่ไหมอย่างนั้นไม่ได้หรอกอันนี้เขาเรียกว่าอัลัชชียนะจงใจก่ว้ละเมิดอ้างบัตรไงแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำใช่ไหมทั้งที่รู้ว่าผิดน่ะแต่ก็ทำทำคิดว่านี๋ยวก็โกงหน้าใช่ไหมทำหรือก็โกงหน้าทำหรือก็โกงโกงทุกวันเลยครับเพราะว่ารูอว่าต้องทมันเ่ยไม่น่ อไม่ไม่มีเหตุผลที่ให้ร่วูดละเมิดข้อบัญญัตินะครับไม่ควรที่จะหาเหตุผลให้รดูดละเมือข้อบัญญัติด้วยจ็ต้องมีแต่เหตุผลที่ให้กระตืตามอร้นมาทำวินัยอย่างนี้ครับเราก็การก็เราก็ระวังอยู่นะครับส่งเรื่องอยู่แต่เราไรู้ว่าเราจะผ่านเไปในช่วงไหนเราปลงความเผลอไว้ได้ไหมโอไม่ได้เราจะเอ๊งไม่ไ่ใจถ้าสงสัยก็ต้องบอกความสงสัยครับถ้าสงสัยก็ต้องบอกความสงสัยไม่ต้องโคลง พราเวลาปรองมันจะมีคำถามว่าปัสสถานเตตามปติโยขานธมุมเจริญท่านเห็นอามบัเหล่านั้นหรือเนี่ยพันเตไม่ได้เห็นไม่ได้สงสัยเขาถามว่าพันเตยเห็นอามบัเหล่านั้นหรือพันเตก็อะไรนะอามอังโสอะไรนะอามะอุโสปัสสามีใช่ อ, อะไรเหอดูกรผู้มีอายุข้าพเจ้าเห็นถ้านที่ไม่ได้เห็นนะบอกว่าเห็นไหครับ นั่นมันมันการมันจริงครัถ้าถ้าเราสงสัยแล้วก็พงได้บอกความสงสัยเฉยๆไม่องกลองก็มันได้ไม่ต้องกลองไ่ต้งกับแล้วก็บอกภาษาไทยบอกว่าผมสงสัยในอาบัตอาบัติอะไรก็ว่าไปนะครับหากสงสัยแล้วก็จะกระทํำผือแล้วก็บอกแค่นี้ก็ให้นั่งกระยอพนมือเหมือนกันน่าทำกับกองอาบัติเหตุใดให้เราพูดแค่นี้ครับแล้วก็ถือว่าไม่ปกติแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับก็เพียงจะบอกว่าผมสงสัยผมรู้สึกว่าผมเจ็ ไม่เด็ดแปลงฟ้าท่านอาจารย์ไม่เด็ดล้วคืนคราวคได้ได้เราบอกใครนั้นก็มีทางไปตรงเลยบ้างแล้วองฟงดูนะเราบอกว่าหาสงสัรแล้วก็จะทําคืนตทำบุญอย่างนี้ด้วยคราวแต่ไม่ฟงนะเราสงสัยระบอกสงสัรตามความเป็นจริงนะครับอันนี้เขาบอกว่าการวินิจฉัยกำลังเป็นไปในท่ามกลางสงเนี่ยที่หมายถึงการวินิจฉัยอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หมายถึงเกี่ยวกับสหกรรมเนี่ยกําลังเป็นไปนะครั กำลังตั้งนิตินะกําลังตั้งนิติสวดกรรมวาจาอยู่ดีๆนะซึ่งตอนนั้นมันจะลุกออกไปไม่ได้ใช่ไหมเขากำลังตั้งนิติสวดกรรมวาจาอยู่นี่ครับอยู่ดีถ้าไม่หมกฉันทานนะท่านเดินลูกนี้ไปเลยนี่ครับล่าถบานไปเลยกรรมมันก็จะเป็นว่างใช่ไหมครับจะเสียนะอย่างเช่นกำลังสวดอะไรนะสวดมานะใช่ไหมครับหรือว่าสวดปริวาสพาลุกนี้นะอ๋อพานดีกว่าอ๋อพานรรนานะเออครับกําลังสวดพาสิพาลุกนี่นะ ทาก็าน้าอยู่ะัอยู่ดีๆท่าไม่รู้ยังไงเกิดหมันไส้ภาพปริวาอห <c oughs> อ, อไม่อยากให้แกออก อ, อ ก, ออกใช่ไหม <c oughs> ต้องการให้กรรมกันเสียนะครับ <c oughs> ก็เลยลูกเดินหนวไปเลยนะนี่นะมันจะบอกฉันท้าด้วยอันนี้นะครับตอนที่กำลังลูกออกไปนะอันต้อง บ, บทุกกรธนะครับพอลากทบไปก็จะเป็นอําบักปาจิตตีครับงั้นในขณะที่รานำทบกบเข้าไปกลางส่วนนี้ ถ้าเกิดาต่างการูปไปเริ่มหมายถองเฉียต่างเริ่มบอกกรรมที่สืรูปนี่ใช่ใช่ครับบอกว่าคงมีธุระปวดท้องอย่างไรขอมองฉัยท่างขอมองฉีย่างแบบนี้ได้ไ้ครับไม่ต้องสะกดคไม่ต้องครับมันจะเป็นการอะไรนะคกรรมเทาชะงักนครับเขาเป็นการทำาราแกะกลาหรือวาสุปฏิบอกก็ไม่ต้องนั่นหรอกแล้วก็บอกผาดีข้างๆอพเราว่า อย่างนี้นะโดยตั้งใจมีใจอย่างนี้นะครับโดยตั้งใจใจะให้กรรมเสียด้วย <Okay. S 1> ต่อแบบไปอีกตีแต่ว่าในอนาบตนบอกว่าถ้าปุญจะรัประสาทก็ไปได้นะ <Okay. S 1> ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะฉะ้นมอสฉันท่ามองไม่ทันดี <Okay. S 1> ท้องเสียกระทันหันใช่ไหมนั่นก็ไปเลยเขาไปได้นะข้ามข้ามไปข้ามข้ามมัน ม, <c oughs> ม, มีเหตุที่ใหไปได้นะครับแต่นี่จิตนาเขาม่ดีไงเขาใช้กรรมเสียถึงก็เลยเปไ็นอาบัติ ก <laughs> ินยาอรนีกิน <c oughs> มารุมไปยี่สิบแมงมุนมนะคือ <laughs> ไ, ไหวแล้วมาดูต้นมันอย่างน้ครับนี้มันเป็ขั้นมาให้นี่ร 7, 7คาี่เจ็ร้อยบเจ็ทเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดนี่ครับาที่เก้าที่สิบัดครับ เรื่องพระเจ้า ป, ปัขีนะแทนพระเจ้า ป, ปัขีะนะ mm. โดยสมัยนั้นพร ะ, ระพุพะทธเจ้าประทับอยู่ณพระเฉดตวันอารามของนาถามิติกะข้ามบดีเขตพระนครสามัคีครั้งนั้นทรงประชุมกันด้วยกำบังอย่างที่ทรงจะต้องทำ mm. นี่นะครับพระเจ้า ป, ปักขีสารบรุญทำจิวรลังการรมันอยู่ได้ให้ฉันทาไปแก่พิสุร mm. ูปหนึ่ง เขาไม่ได้ไปใช่ไหมเลยมอบฉันท่าให้พิสุรูปหนึ่งไปนะครับนี่พวกแก่นะอถึงก็พอดีสงตั้งยติแล้วว่าสงประชุมกันเพื่อประสงค์ทํากรรมใดพวกเราจะทํากรรมนั้นดังนี้นะครับพิสุรูปนั้นจึงพูดขึ้นว่าพิสุเหล่านี้ทํากรรมแกพิสุแต่ละรูปอย่างนี้พวกท่านจะทํากรรมแก่ใครกันนะครับแล้วไม่ให้ฉันท่าลูกจารสน่าหลุดไปนะครับ สงสักลัวนะกลัวพระสงฆ์จะลงกรรมแกนะครับนะก็เลยลุ้มจะอานสนานะครับติดไปเลยโดยที่ไม่ได้หมอะสันท่านนะครั บ, นะรบกลัวพระสงฆ์จะลงกรรมแกลงกรรมพวกแกนะตั้งจะให้กรรมเสียบรรณาพิสุที่เป็นผู้มากน้อยสนโดษตาก็แข้งเทอดเตรียมโพธนาว่าฉะนั้นพิสุเมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเป็นไปอยู่ในสงจึงได้ไม่ไม่ได้เหมาะไม่ จึงได้ไม่ให้ฉันทะลูงจะอาศนะหลีกไปล่าแล้วกล่าวลูกนั้นแด่ผู้พากเจ้าผู้ทวตงก็ประชุมสงส่งสอบถามสงติดเตียเพื่อเจาพักีแล้วก็มีสิขาบุนี้ขึ้นมานี่ไงเราดูคำอธิบายพระวินัยพิเดนิดหน่อยนะคําว่าเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยในสองนะ่ะเขาบอกว่าเรื่องที่โจยดและจําเลยแจ้งไปแล้วแต่ยังไม่ไดนวินิจฉัยนะครับทั้งสองฝ่ายนะ แจ ง, งยื่าดีอยูร้อยแล้วใช่ไหมครับในเอกสารที่อธิบายว่าทั้งโจและจําเลยได้ถแถลงถอดคําของตอนแล้วท <Yeah. S 1> ี่สู่ผู้สอบสวนใช่ไหมที่จะเป็นคณะกรรมการนะครับผู้สอบสวนสืบสวนก็ได้เล่าสมมุติแล้วแม้ด้วยอาการเพรียงเท่านี้ว่าถูกไปอันบอกแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้ไม่ใช่หรว่าใครปิดใครถูกเป็นอาบะอะไรใช่ไหมกำลังยังไม่ได้ใช้กันอยู่นะครับถ้าเกิเดินหลนี้ไปหนี้ก็ได้นะครับ ตั้งมัณฑิแล้วก็มาวาจอ ย, ยังสวดค้างอยู่นะกำลังสวดค้างกันอยู่เดินลุกออกไปเลยนะครับไม่ฉันท่าแล้วลูกจากอาสนะดิบไปถ้าบอกว่าตั้งใจว่าไฉนะิกรรมนี้ควรกาเลิกนี่นะเพราะว่าเราออกไปแล้วกรรมจะได้เป็นวะใช่ไหมะจะได้เสียไปเลยพึงเป็นวักพึงทําไม่ได้ดังนี้แล้วลูกเดินไปต้อบิทุกกดนะครับแล้วที่ออกไปนะกาลังลหัตถบาลแห่งที่ชุมนุมสอง ต่อบทที่กิดอีกนะครับรหัสบทก็นะต้องบทปาริตตีนี้ก็มาดูข้อทีบางคนถามอันนี้ไม่ยากหน้า248นะครับข้อที่สิบอธิบายฉันทธรรมอัตตตวะขมมนาสิกขาบทพึงสราบอธิบายสิกขาบทที่สิบต่อไปคําว่านิจฉาญาตหายาความว่า เรื่องที่แจ้งไว้แล้วยังไม่ได้ไมินิฉัยอย่างที่บ้านเมื่อกี้นะครับหรือสวดตั้งยติยังไม่จบธรรมวาจารตราบใดการกล่าววินิฉัยชื่อว่ายังเป็นไปอยู่ตราบนะั้นนะครับพิสูดาย่าธบาของบริษัทสองเพราะต้องการจะให้กรามเสียในระหวานน่างนี้ในขณะที่รายธบพิสูจน์นั้นต้องบัตุกฎนะครับลายธบแล้วต้องบัตรปางจิตติเหช่นเวลาสวดปฏิโมกข์นะ ตอนที่ตั้งยติปฏิโมกเป็นญติกำใช่ไหมครับก็ตางยติสุนาตุเมพันเดสังโขใช่ไหมนะครับจบยตินั่นแหละตอนนั้นนะถ้าเราลุกออกไปในขณ ะ, ะที่กําลังตั้งยตินะครับด้วยตั้งจะให้กรรมเสียนะะตอนนั้นจะเป็นอบาบัติแต่พอตั้งยติเรียบร้อยแล้วกําลังสูญปฏิโมกอยู่นะและลารุกออกไปนะครับตอนนั้นก็ไม่ทําให้กรรำเสียน ะ, ะถือว่าผ่านยติก็มาวาจานไปแล้วนะครับตอนนั้นเป็นการสวนนะ แต่ถ้า involved, mm. ไม่ม mm. mm. yes. ีความจำเป็นไม่ควรที่จะออกไปนี่ยครับเดินออกไปออกมาไม่ควรนะครับคือหมายถึงการตกสมบทด้วยไหมครับคือหมายถึงว่าถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นเราปัดแข็งทันแล้วลุกไปครับได้ไเพราะะฉนเราออกไปครอบองสมบาลที่อยู่นะครับเร่งทีว่าตกสงบนไม่น่าจะได้ใชคือว่าจริงๆปะมีสมบุกกรรมนะครับถ้าเขาจะ ที่กำลังสุึกษามารยาจานไม่ได้ต้องให้เขาองสงนะเขาองสงบปฏิโมกเหมือนกันนะแต่กาลังสุึกษามาจาไม่ได้นะครับ mm hmm. คือว่ามันต้องใช้ถึงว่าคือถ้าประสงค์เกินมีปัญหาครับคุณเตถ้าประสงค์เกินมีปัญห า, า, า, ญหาสุปฏิโมกข์เหมือนกันนะท่ า, าพนพระนรรมบอกว่าสุปฏิโมกข์พิสุสี่สรูปใช่ไหมครับทีนี้ยเราบอกว่าให้ไปแค่สามรูปพอสมอขอหมอบฉันทะและสามรูปสวอะไรกันไปนี่นะไม่ได้นะครับ จะต้องสีรูปหน้าอย่างน้อยนะครับนอกจากว่ามากกับนั้นนะครับอันจริงอันเป็นมอโน่ะนอกจากที่เขามีมีความจําเป็นจริงนะธรรมดาก็ไม่ไม่เห ม, ม, มาะสงนะครับมีอะไรนะอาภาดูแที่สูอาภาอะไรพวกนั้น อ, อย่างนี้ครันี้ก็จะพูดถึงใครพูดแล้วใช่ไหมว่าต้องตั้งใจฟังต้องใส่ใจฟังให้ดีให้สําเร็จประโยชน์นะครับ <c oughs> เกี่ยวกการเคารพธรรมด้วยนะ พระพุทธเจ้าสมัญญาเอมาแล้ใช่ไหมครับแล้วคุณใส่ใจลี่จะฟังไม่ใช่ว่าเดินเข้าเดินออกเนี่ยชอบกะออกข้ากำลงังเสริมปฏิโมกขกันอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ควรการเปือนกลางไม่เปนไสีอิริยามเฉมัน่างเนี่อ๋อไม่ได้ไม่ได้ขยับด้าแต่ไม่เปลีย่ยนเปลไีไยนนอกจา ก, กว่าไม่หวนี้นะครับถ้าตอนสมัยเจ้ารอดอยู่ท่านจะเน้นมากเกี่ยเรื่องพวกนี้นะไม่ควรที่จะเดินออกไปแล้วบอกว่า เราก็จะไปฉันน้ำเยอะสิใช่ไหมไปฉันน้ำไม่เยอะทําไมก่อนที่จะลงวังสน่ะมันก็ปวดใช่ไหมครับเวลาเข้าไปในสํานักเหมือนกันนะอาจารย์จะแนะนำว่าให้ไปก่อนเวลาเลยนะครับไปก่อนดีอย่าไปตอนที่เข้ากําลังแสดงธรรมนะมันพอไปพวกเราเปิดประตูเข้าใช่ไหมมันจะรบกวนคนที่กาลังฟังอยู่นะครับมันเสียจังหวะเข้าไปเลยนะไม่ได้ใจกาลังน้องไปเข้าใจดีใช่ไหมครับพอเปิดประตูเข้าปุ๊บมันเสียจังหวะเขาเลยนะครับ เพรา่าถ้าเราเนะี่ยต้องควรที่จะมีอยู่แล้วใช่ไหมอะไรเบี้ยนม่ไหนอะไรนะมันต้องมาหาคาลวาสอยู่แล้วนะอาจารย์จะบอกว่าให้ไปก่อนเวลาเลยพหดีไปก่อนเวลาไลาอ้นั่นจะนําไปก่อนเวลาเสมอ น, นะครับแล้วก็ถ้ามันจะเป็นก็ไม่ต้องออกไปข้างหน้าไปอะไรหรอกคือสมัยก่อนเข้าไม่เดินออกข้างหลั ง, น, ลลงนะไรโรงครัวเขาเดินออกไปข้างหน้าอะไรครับเดินตัดหน้าอาจารย์ที่กําลังบรรยายเลยนะมันทําให้สะดุดนะสะดุดคนพูดด้วยคน ฟ, ฟังด้วย ถ้าม่นจำเป็นอนะ่ะก็วิธีแก้ก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับกลับมานะ เ, าเห็นเกิดและประเภทเาบาทศิกาบท น, นี้พุ้มีพระจ้าทรงปรกบพิสูกรูปหนึ่งในเมืองสามวันทีบัญญัติไว้แล้วเพราะเห็นคือการไม่ให้ฉันท่าหลุดไปจากสงเป็นสาธรณาบัญญัติที่สุนี้ก็มีนะครับไอ้นะขึ้นต้นวัหนึ่งยาประนาพิสูจนี้ ทำมีการกนำกรรมานังฉันทะตะวันเหมือนกันนะครับที่เหลืออานาจิกาไม่เกี่ยวการใช้นะรัจะทําเองนั่นเองต้องอ่านบัตรในการที่ชอบทำพิสูจน์มีความสงสัยก็ดีนะครับออกไปเไื่อต้องทุกกฎในการที่ไม่ชอบทําความสําคัญว่าสําคัญนะว่าชอบทำหรือมีความสงสัยก็ดีต้องอาบัตร ก, กฎนะครับอานาบัตรพิสูจไม่ต้องอ่านบัติก็ต่อเมื่อ สำคัญกรรมที่ไม่ชอบทําว่าเป็นกรรมที่ไม่ชอบทําแล้วก็เลยลุกหนีกไปเลยพราะไม่ชอบทํำใช่ไหมนะครับออกไปได้นะครับ ท, ทําำไม่ดีนะครับไม่ถูกต้องนะหรือว่าความแตกร้าวเป็นต้นจะเกิดขึ้นแก่สอนะครับเนี่ยถ้าเราบอกไว้อะไรกันแน่นะลุกหนีไปเลยนะครับพวกวิสุทธ์จะทํากรรมดูอาธรรมโดยไม่เป็นธรรมนะโดยเป็นวักนะครับเป็นภาพคุพ่ว ก, กันในโบสถ์นะ ไปบบไม่สองขุนไม่ลงทบาทกัน mm hmm. <c oughs> อีกนั่นหนังนะแล้วรู้ว่าทํากรรมแก่ผู้สูงผู้ไม่ควรแ ก, ก่กรรมคือเขาไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับ mm hmm. ไปลงโทษอะอย่างเงี้ยนะเรารู้นะครับ mm hmm. แล้วก็ออกไปเลยให้กรรมเสียไปเลย mm hmm. เป็นไข้นะครับมันไข้หนักอันตรายป่วยหนักไม่ไปโรงพยาบาลใช่ไหม mm hmm. <c oughs> ไปก่อนนะครับ <c oughs> นี่นะต้องการจะไปดูแลคนไขย้ยังก็ได้นะครับ mm hmm. ป่วยนักไม่ไหวเงี้นะที่ว่าท้องเสียท้องร่วงนะครับ หรือจะเป็นอยู่แลคนไข้คนป่วยกำลังนั่นนะครับไปดูได้โปวิจร์ภาษาไม่ต้องการให้กรรมเสียลุกออกไปด้วยคิดว่าจะกลับมาอีกและพิสูจน์บ้าเป็นต้นนี้ก็ไม่ต้องอ่านบัตรนะองอานบัตรสิครับวันนี้มีองหกเหล่านี้คือหนึ่งสองกำลังตัดสินความเนี่ยหรือทำสารกรรมเนี่ยสองอย่างนะสองกรรมนั้นเป็นธรรมที่ผสมกําลังทำเป็นธรรมนะครับ สรู้ว่ากรรมนั้นเป็นธรรมสี่ส อ, อยู่ในสมาณะสีมาสีมาที่เสมอกับกันกับสองก็คืออยู่ในสีมาเดกับสองในขณะนี้ครับห้าตนมีสังวาสเสมอกันกับสองก็คือไม่ใช่พิจิตรผู้ถูกย่องวัดนี่นะไม่ใช่บาลานเชตไม่ใั่ผู้ถูกย่องวอัด น, นะ น, นะครับหกละทะบาทไปเพราะต้องการจะให้กรรมเสีย เมื่อข้อปองนี้ก็ต้องปราบปาบจิตติในสิกขาบทนี้นะครับสิกขาบทนี้เป็นสมุปาสนะสมุถานเกิดขึ้นทางกายวาจาและจิตนะคะะรับจำไว้เลยนะสมุปาน ส, สนะสมุถานสมุถานที่สมุปทานใช่ไ ม, มสวดว่ากาวต่งเตือนเวลาพฤติกรรมนั้นใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นทางกายวาจาจิตอา่าเป็นกิริยากิริยาต้องบัญติข้อทําและไม่ทํานะครับ พ่อทำอะไรครับก็ทําในการตรวจไม่ใช่เลุกออกไปนะครับทําการลุกออกไปไม่ทําอะไรครับไม่หม้อฉันท์ท่าใช่ไหมครับนี่นะครับนี่นะเป็นสัญญาณวิโมกนะครับอันนี้กวาพูดถึงจิตนะเป็นจิตเนี่ยจิตเป็นยังไงเนี่ยจิตเป็นอคูศน์ต้องการให้กรรมนั้นเสียใช่ไหมอย่างนี้นะครับต้อมีจิตอย่างนี้ด้วยนะเป็นอคูศน์ตองการกรรมนั้นเสีย แล้วก็ลุกออกไปนะครับไอาการก็ลุกออกไปไงวาจาก็ไม่ได้หมอบสันทานะครับครบเลยนะเป็นสัญญาณวิโมโหพ้นได้ก็ไม่มีสัญญาถ้าไม่มีจิตที่จะให้กรรมเสียก็ไม่เป็นนะครับสจัจจตกะต้องมีเท่านั้นเดียวก็เป็นานามบัต น, นะครับโลกกับวัชชาเป็นอกุศลจิตอย่างเดียวการยกรรมก็มีวัจีกรรมก็มีอกุศลจิตทุกขเวทนาเลยใจไม่ชอบต้องการกรรมเสียใจไม่ดีเท่า น, นั้น จบการอธิบายชั้นทางทตาวาสิขามดเจ้า